ไ่ขาดไม่คิดว่าจะได้ออกไปธุระข้างนอกออกไปขุดดอไปเยี่ยมคนป่วยอาการหนักขันเข้าห้อง i อ u ผ่าสมองเลือดเส้นเลือดแตะเป็นลูกศิษย์ของลูกหาขององค์หลวงตาเนะ่เป็นญาติโยมเคยไปมาหาสูอุปตรรัมปทาบ ยินข่าวลูกหลานเขาก็นนี่บนก็เลยได้ออกไปดูดูแต่าตามไม่จริงคนที่ป่วยเขาก็ยังไงช่วยไม่ได้แล้วช่วยกําลังใจลูกหลานที่กำลังตกทุกทนทุกทุกอกทุกใจที่ญายายาอาการป่วยหนักก็เลยออกไปเมื่อวันนี้ สรุปแล้วก็คือออกไปดูเทวทูตทูตที่บอกว่าคนเราจะต้องแก่จะต้องเก็บจะต้องตายหนีไม่พ้นแน่ๆว่าอันนี้ก็คือออกไปดูหนูดูเทวทูตเห็นเขาเห็นผู้อื่นเป็นก็ไม่กะไราแต่พอมาเห็นเป็นญาติใกล้เขามา เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องก็รู้สึกมีความรู้สึกถ้ามาเจอกับเข้ากับตัวเองขึ้นมาแล้วกับเมื่อไหรก็เมื่อนั้นแล่ละถึงใจเลยว่างั้นเอถอะแต่เจอกับตัวเองเมื่อไร่ก็ถึงใจเมื่อนั้นเลยว่างั้นแหละ ว, วันนี้จะพูดถึงความเป็นมาของพระพุทธองค์ ของพระพุทธเจ้าของเราที่เป็นต้นาศาสดาเป็นต้นาศาสนาพวกเราเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ควรจะรู้เรื่องพุทธประวัติการพูดเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติเนี่ยมีมากมายหลายระดับสุดแท้แต่องค์ไหนจะจิบยกมาพูดเพื่อให้เข้ากับเพตการณ์ นั้นๆขณะที่แสดงคือการพูดตามไม่จริงพุทธประวัติเนี่ยพวกเราควรจะรับรู้รับทราบเพราะเป็นพวกเราจะนับถืออะไรต้นศาสธรต้นศาสนาของเราเป็นยังไงพุทธประวัติสาวกปวัติประวัติสาวกะแปลว่าผู้สดับาพุทธแปลว่าผู้รู้ดีรู้ดีรู้ชอบด้วยพระ อ, องค์เอง ตัสรู้ชอบพระองค์เองจากนั้นก็นำพระธรรมออกไปเผยแผ่พระสงฆ์หรือว่าผู้ที่พระพุทธองค์ในแสดงให้ฟังเราเป็นสาวกสาวกะเป็นผู้ได้รับโอวาทและได้รับการสัตปรับฟังจากพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งพระสงฆ์สาวกเป็นขั้น พระอาหารหันต์พระอนาคามีพระสกทาคามีพระโสดาบันถึงพระปุตุชนผู้หวังที่จะพ้นทุกข์ก้าวขึ้นไปเรื่อยๆอุบาสกุบาสิกาก็มีหลายระดับเหมือนกันอันนี้ว่าสาวกทั้งหมดสาวกะผู้ได้รับฟังแล้วก็เกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พวกเราก็ได้เสียสละเข้ามาบวชก็เข้าม า, าคลุกวงในก็ใช่เข้ามาอยู่ในแถวหน้าก็ใช่เพราะเราเป็นพระศีล227เสียสละทุกอย่างความสุขทางโลกตัดความสุขทางโลกออกหลายอย่างการอยู่การกินการหลับการนอนการสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาเข้ามาอยู่ในป่ารวงพงไพ อยู่ในกรอบของพุทธะที่พระพุทธเจ้าอบรมแนะนําสั่งสอนเป็นพระปฏิบัติตัวอย่างไรพวกเราก็ได้มาปฏิบัติตัวดังที่พระพุทธองค์ท่านแนะนําสั่งสอนมาแนวหน้าแถวหน้าเหเป็นช้างเท้าหน้าแบบนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราให้รู้จักสถานะของเราว่าเราเป็นพระ เราอยู่อย่างพระไข ค, ควรพิจารณาอยู่หนึ่งเนืองว่าปับันนี้เรามีเพศต่างจากเครหัสต์อาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นยังมีอีกอยู่หอว่แตกต่างจากเครือันตเราไม่เหมือนเราไม่เป็นเครหัสต์แล้วเราเป็นพระอนในี้ก็ให้สเนลี่ยงสนึกไว้อยู่เสมอ พระพุทธเจ้าของเราก็เป็นคนธรรมดาไม่ใช่เทวบุตรเท ว, วดาเป็นมนุษย์แต่พระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นเชื้อกษสัตรกรุงกบินละพัฒ์พ่อแม่ก็มีพระเจ้าจุดโทมธนาะพระมารดาก่อน รมหามายาภัญญาอคีเีพระลังบทมีบริษัทบริวารเหมือนกับพระเจ้าแผ่นดินทั่วไปแต่พระองค์แปลกแตกต่างกว่าพระเจ้าแผ่นดินก็เพราะพระองค์มีความคิดแปลกแตกต่าง กว่าคนทั้งหลายแต่ถ้าเอาว่าพระองค์สวยสวยราชเหมือนกับพระเจ้าแผ่นดินทั่วๆไปพระองค์ก็คงจะไม่มีชื่อเสียงโด่งดังมาถึงยุคสมัยนี้แต่นี่มีกที่พระพธองค์โดดเด่นหรือว่าชื่อเสียงโด่งดังถึงสองพันกว่าปีก็เพราะว่าพระองค์ความคิดของพระองค์แปกแตกต่างการกระทำของพระองค์แปแตกต่าง ว่ากษัตริย์ทั้งหลายแต่วาการคิดแล้กวาการกระทำของพระองค์ที่แสดงออกมานั้นเป็นที่ยอมรับมากระทั่งถึงทุกวันนี้นำพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของพระองค์เอามาพูดหรือเอามาวิเคราะห์ล้วนแล้วจะมีเหตุหมมีมีเหตุผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักใหญ่ คืออริยสัจสี่ไตรลักษณ์สติปัฏฐานสที่หลักใหญ่ใหญ่อันนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ส่วนอื่นนั้นอาจจะมีบ้างคําพูดบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องบางราวเรื่องนิทงนิทานอะไรอาจจะมีแปลกแตกต่างไปบ้างแต่หลักใหญ่จุดยืนของพระธรรมคําคสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้จุดนี้เอามาวิเคราะห์เอามา พินิษพิจารณาล้วนแล้วจะมีเหตุมีผลอย่างมรกแปดอย่างนี้จิติปฐานสี่อย่างนี้อริยสัจสีอย่างนี้ไตรรักษ์อย่างนี้อันนี้คือหลักใหญ่ในพระพุทธศาสนาแต่ว่าเราให้เชื่ออะไรในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนอะไรเชื่ออะไรอันนั้นขั้นพื้นฐานก็คือเชื่อกลัม เชื่อกรรมคือเชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทาคาว่ากรรมคานี้เป็น่าเป็นคำกลางถ้ากรรมดีหรือกรรมชั่วเข้าไปอีกจึงจะเป็นจึงจะเป็นเลวหรือดีคาว่ากรรมคือเป็นคำกลางจะเป็นดีก็ได้จะเป็นชั่วก็ได้กรรมคือการกระทำคือการกระทำโดยกายวาจาใจการกระทาทำได้สามทาง กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมการกระทําทางกายฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมวัจีกรรมพูดเท็จพูดโสเสียดพูดคําหยาดพูดเพ้อเจ้อมโนกรรมโรภอยากได้ของเขาพยาบาทปองร้ายเขาเห็นผิดจับทํานองครองทำอันนี้เปลว่ามโนกรรม การทํากรรมทํำได้ทั้งสามทางคือกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมแต่ในพระวินัยท่านเอาแต่งแต่กายกรรมกับวจีกรรมส่วนมนโนกรรมนั้นยังไม่ผิดวินัยถึงจะนึกคิดแต่กยังไม่ผิดวินัยแต่เป็นบัตทางจิตใจคิดออกคิดออกนอกรูนอกทางะ อันนี้คือหลักของพระพุทธศาสนาคือจุดใหญ่หลักใหญ่อย่างที่กล่าวเบื้องต้นว่าหลักเทจะพิสูจน์ได้ก็คือสติปัฏฐานอริยสัจมรรคแปดมรรคแปดก็คือสินสมาธิปัญญาเองไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละ ก, ก็คือหลักใหญ่ ที่พระพุทธเจ้าเอามาแนะนำสั่งสอนจากท่านก็ท่านก็อธิบายให้แยบขายละเอียดเข้าไปอีกแต่ละข้อแต่ละประเด็นมีจุดมุ่งหมายอย่างไรสรุปแล้วทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีแต่ให้ชี้แนวทางด้านจิตใจรู้ทางด้านจิตใจ จากนั้นพิจารณาเห็นรู้จริงรู้แจ้งเห็นจริงก็เกิดความเบื่หน่ายคายหลุดพน้นเหมือนกับเรารู้เราเรียนหนังสือเนี่ยถ้าว่าจสมองก็ใช่ความจำแต่ในหลักของพระศาสนาธว่าใจเข้าใจรู้เรื่องแต่ก่อนเราไม่ได้ได้เรียนเราไม่รู้แต่เมื่อเราได้เรียนเรารู้ อันนี้เมื่อเราปฏิบัติฝึกหัดดัดนิดสัยบําเพ็ญเรารู้เราเข้าใจเมื่อเข้าใจในหลักของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนเข้าใจด้วยปัญญาปัญญาอันลึกซึง้งปัญญาอันแหลมคมมหาสติมหาปัญญาไม่ใช่ปัญญาธรรมดาของโลก เพราะนั้นท่านจึงให้ใช้สมาธิคือความแน่วแน่ของจิตทํานิ่งของจิตความสงบของจิตซะก่อนให้จิตเป็นหนึ่งก่อนแล้วค่อยมาพิจารณาทางด้านปัญญาอันนี้คือหลักที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าของเราที่ท่านส่องแสวงหาธรรมนี่มาพูดถึงพุทธประวัติ ความเป็นมาของพระพุทธองค์พระพุทธองค์เป็นกษัตริย์อย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วอายุ29ปีทางอยู่ทางโลกสรวิความสุขแบบโลกทั่วๆไปจากนั้นพระพุทธองค์ถึงคราวเรียกว่าเป็นบารมีของพระองค์ในอดีตชาติที่พระชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของพระองค์พระพุทธองค์ก็ ในวันแรกก็คือได้เสด็จออกไปพักผ่อนที่สวนอุทยานตามพุทธประวัติก็ไปเห็นคนแก่เดินหลังคอมทั้งที่พระองค์ไม่เคยเห็นมาก่อนทำไมยังไม่เห็นมาก่อนเพราะว่าพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าจุโทธนะจะต้องให้ลูกชายตัวเองเห็นแต่ความ สีวิไลเห็นแต่ความเป็นที่พออกพอใจไม่ให้ไม่ให้เห็นสิ่งที่ไม่สบายใจแล้วเห็นเห็นที่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาว่างั้นเห็นแต่ความสวยงามเห็นแต่ความเรียบร้อยเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งหญิงทั้งชายใครก็ตามเข้ามาแล้วจะต้องดีทั้งนั้นว่างั้นเป็นที่พอใจทั้งนั้นแต่วันนั้น เป็นวันที่บารมีของพระ อ, องค์มาถึงพระเถรองได้เห็นคนแก่ท่านก็น่าถามนายฉันนะที่เป็นนายสนาธีขับรถมานายสนาธีฉันนาเขาพูดให้ฟังว่านี่คนแก่ทุกคนแก่อย่างนี้ทุกคนใช่ไหมนายฉันนาเขาตอบว่าใช่ทุกคนกต้องแก่จากนั้นก็พระ อ, องค์ก็เกิดความสลดสังเมตใจเอคนเรา แก่อย่างนี้จะมีจะหาความสุขได้ที่ไหนคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนคนมันคนแก่ผิดปกติถ้าไมเป็นอย่างนี้ทุกคนจะต้องแก่อย่างนี้ไมนหาความสุขได้ที่ไหนอันนี้คือปัญญาปัญญาที่จะหาทางออกจะแก้ไขอะไรพวกนั้นวิธีการจะแก้ไขแต่บางคนก็เห็นแล้วก็แล้วไป เห็นเรื่องอะไรมาก็แล้วไปแต่ศสีถะเห็นในครั้งนั้นท่านจรหลุดสังเวชใจอย่างมากท่านก็ให้นายสันนักลับเบี่ยงวางพอกลับไปแล้วก็ไปทบทวนอีกว่าทําไมเรามันเป็นอย่างนี้แล้วจะทำยังไงจะแก้ไขยังไงจะปรับปรุงยังไงที่จะไม่แก่ ต่อมาก็เสด็จอีกไปครา้งนี้ไปเห็นคนเจ็บอรองคนคนคางอยู่ก็เกิดความสลดสังเวชอีกถามในชนะอย่างเกา่าก็กลับเบียงวางอีกพอไปครั้งที่สามไปเห็นคนตายก็ไปเกิดไปเห็นความสลดสังเวชในความตายของคนอีกยิ่งสลดสังเวชใจก็กลับเบียงวางอีก พอครั้งที่4ไปเขาเนี่ไปเห็นสมณะคือนักบวชนั่งอยู่โคลนต้นไม้ปล่อยวางทั้งหมดอยู่ในอาการสงบนั่งกัจจามะลับตาไม่เกี่ยวข้องกับใครทั้งหมดพอไปเห็นสมณะเอออันนี้สบายใจอันนี้จมังกำมังที่จะเป็นหนทางใครเขาว่าดูใจของตัวเองจากนั้นก็เข้าไป สมส่วนไปพักที่สวนอุทยานพอได้กำหนดเวลากลับมาก็ทราบข่าวว่าพระอักรมเหสีประสูตรุกชายเขาเขามาให้บอกกล่าวมาแจ้งเขาให้ทราบตั้งที่พระองค์จะดีใจพระองค์กับคิดในใจโอ้ พอเราได้ยินเราก็เกิดความรักขึ้นมาความรักนี่แหละเป็นเครื่องผูกพันทางด้านจิตใจท่านก็เลยถ้าอยู่อยู่ต่อไปก็คงจะเป็นเครื่องผูกพันอย่างเหนียวแน่นเครื่องผูกเกิดแก่เราแล้วเครื่องผูกเกิดแก่เราแล้วเครื่องผูกก็คือราหูนะาลาหุาหนแปลว่าเครื่องผูกเป็นภาษาบาลีวัลราหูนะ ลุคนะคือพระราหุลคือเครื่องผูกเครื่องเครื่องผูกพันเกิดแก่เราภาษาทางอิสานเขาตั้งเป็นคำพังเผยขึ้นมาว่ารักลูกเหมือนเชือกผูกคอรักลูกเมียเหมือนปอปอผูกศอกศอกไขยหลัง มัดศอกไพ่หลังรักสมบัติเข้าของเหมือนปลอกใส่ขาใส่ใส่เท้าช้างเห็นปลอกใส่เท้าเท้าช้างไม่ให้เดินได้สะดุดเหมือนปลอกใส่ใส่เท้าเท้าช้างปลอกใส่ขายักเอาไว้มัดเอาไว้กับหลักพอไปที่ไหนๆเราก็เป็นห่วงสมบัติใช่ไหมไปที่ไหนก็ไม่ได้เพราะห่วงสมบัติพัชฐานรักรูป เหมือนเชื่อผูกคอรักเมียรักเมียเหมือนปอผูกศอกรักสมบัติเข้าของเหมือนปอกยักขาใส่ข า, า, ขามัดขาอันนี้พระพุทธเจ้าท่านพระราหุลเกิดแต่ว่าราหุนะเนี่ยเครื่องผูกเครื่องผูกพันเกิดแก่เราแล้วอันนี้คือคือคำอุทานของพร ะ, พระสิทธะ ในยุคแรกจากนั้นท่านก็หาวิธีเพราะว่าท่านได้พิจารณามาหลายวันแล้วจะเอาอยัางไงที่จะออกหนีออกจากเวียงวังพอวันนั้นท่านก็ให้ในายชนะเตรียมมา้าออกไปกลางคืนโดยที่ไม่บอกสั่งลาใครทั้งหมดถ้าไปบอกคนนี้เขาก็จะหา้างคนนั้นจะหา้างจะไ ป, ไปได้ยังไงเพราะเป็นท่านเป็นพระเจ้าเป็ น, ป น, ป น, ป น, ปนดินท่านก็ต้อง หนีไปก่อนเอาตัวรอดไปก่อนขโมยไปก่อนนี่เรอการขาโมยออกหนีในครั้งนี้แหละทำให้คนไม่เข้าใจวิภาควิจารณ์ว่าะสิทธิาเห็นแก่ตัวทั้งที่มีครอบมีครัวมีลูกแล้วกคนนี้ไปหาเสาะแสวงหาความสุขด้วยตนเองไม่รับผิดชอบแต่ตามไม่จริงพระพุทธองค์ท่านรับผิดชอบเต็มที่ไม่มีใครที่จะรับผิดชอบยิ่งกว่าท่านพระองค์ท่าน เพราะว่าพระพุทธองค์พิจารณาดูแล้วอ่ะการอยู่อย่างนี้จะต้องมีแต่แก่มีแต่เจ็บมีแต่ตายไม่มีใครที่จะ ส, ะสะวงสหาทางที่จะหลุดพ้นไปได้เหมือนกับพระพุทธองค์เป็นหัวหน้าครอบครัวอย่างนั้นหนขืนอยู่ในครอบครัวมีแต่ความร่มจมมีแต่ความทุกข์ยากหาความ สุไม่ได้เพราะไม่มีสมบัติที่จะเป็นให้เราได้รับความสะดวกสบายจับใจ่ายใช้สอยแบบสบายๆถ้าอยู่อย่างนี้ก็ต้องจนอย่างนี้หาข้าวกอกหม้อเป็นวันๆอย่างนี้บางทีก็ได้กินบางทีก็ไม่ได้กินแล้วเราจะทํำยังไงแต่ที่พระองค์ก็หวัวหน้าครอบครัวที่มีความคิดก็ต้องออกไปหาแหล่งอื่น ถ้าจะว่าไปต่างประเทศก็ใช่อย่างชาวอีสานน่ยทำไร่ทำนาทำยังไงก็ไม่ร่ำไม่รวยผล่ใ้สู่กับไปนู่นสมัยใหม่ๆสมัยก่อนไปซาอุดิอาระเบียอากาศร้อนๆน่ะไปทำงานอยู่นู้นใครว่าไปทางนู้นมีความสุขหาความสุขไม่ได้จะไปเที่ยวไปเตะกินเหล้าเมยายะที่ไหนก็ไม่ได้เพราะว่ากฎหมายเขาเข้มงวดกดขันแต่ว่าเงินเขาดี ในยุคสมัยใหม่ๆแต่นั่นเขาก็ไปทำการทำงานทำงานในเงินมาเท่าไหร่ก็คิดถึงครอบถึงครัวอยู่ตลอดจนถึงทำงานเต็มที่ในครบกำหนดแล้วก็กลับมาเอาเงินมาทั้งที่ไปอยู่ทางนู้นแทบล้มแทบตายเกือบเอาตัวไม่รอดร้อนก็ร้อนทนทุกข์ทรมานในการทาการทำงานพอได้เงินมาแล้วก็เนี่ย ครอบครัวก็ได้รับความสะดวกสบายเพราะว่าได้เงินใช้ดีกว่าครอบครัวอื่นๆถ้าจะเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าหรือศิท ธ, ธัตถะก็ ค, คล้ายๆกันอย่างกับอย่างนั้นนะถ้าวัดพระ อ, องค์อยู่ครองเรือนอยู่อย่างนั้นความแก่ความเจ็บความตายก็จะเข้ามาสู่พระ อ, องค์อยู่ตลอดเวลา ไม่วันใดก็ตังวันหนึ่งแน่นอนไม่ต้องสงสัยแต่ในพระองค์จะทำยังไงจึงจะไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายมีวิธีไหมควรจะส่องแสวงหาทางจากนั้นพระองค์กเลยหนีออกไปบวชจะว่าเห็นแก่ตัวไหมในเมื่อพระองค์พระพุทธองค์ได้ทำได้ธรรมะบรรลุธรรมได้ตัดสู้ธรรม พระพุทธองค์คนนำพระธรรมนั้นมาประกาศให้พระบิดาอัครมเหสีอันดีตฐ์พลาหุนบริษัทบริวารทุกคนได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลท่วนหน้ากันไปลว่าแจกจ่ายสมบัติให้แก่วงศาคณาญาติได้เป็นมหาเศรษฐีกันท่วนหน้าทั้งที่พระองค์ไปอยู่ หปีนะั่นน่ะบำเพ็ญอยู่หกปีนะ่ะทนทุกทรมานขนาดไหนการอยู่การกินการหลับการนอนอยู่ในป่าดงพงไผ่หาความสะดวกหาความสบายไม่ได้ไม่เหมือนอยู่ในเวียงในหวังการอยู่การชันก็ อ, อดภัคยาหารถึงสี่สิบกว่าวันอย่างบําเพ็ญทุกกะกิริยาอย่างที่พวกเราได้เห็นในพุทธประวัติ ไม่ใช่ว่าพระพุทธองค์ไปแล้วก็ไปส่อแสวงหาความสุขสบายตามพระองค์อย่างนั้นไม่ใช่เพราะนั้นจุดนี้ให้ชาวพุทธทั้งหลายเข้าใจโดยมากคนจะเข้าใจว่าสิทธะเห็นแก่ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่พูดไม่ได้ทบทวนพิจารณาดูให้ดีพระพุทธองค์ไม่ได้เห็นแก่ตัวไปส่อแสวงหาทรัพย์ แล้วมาแจกญาติพี่น้องจนได้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีท่วนหน้ากันจนกระทั่งทุกวันนี้ก็คือศิ ธ, ธิตะเป็นผลงานของพระ อ, องค์ที่ได้สะแสวงหาทรัพย์ได้แล้วก็มาแจกจ่ายคือพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธองค์นั่นเองคือทรัพย์มหาทรัพย์อันยิ่งใหญ่จากนั้นพระ อ, องค์ก็บาเพ็ญอยู่ถึงหกปีอยู่ในป่า การบำเพญ็ญหกปีกษัตริย์ไปอยู่อย่างนั้นพวกเรานึกคิดดูก็แล้วกันการเป็นอยู่การหลับการนอนใครจะรู้จักว่าศีลธรรอยู่ที่นั่นพระพุทธองค์ก็ไม่ได้แสดงตัวและไม่ได้ขอร้องกับใครทั้งหมดอยู่แบบอนาถาอยู่เป็นวันๆไปถึงหปีบาเพ็ญอยู่นะจนวาระสุดท้ายก็ได้ตัดสรุธธรรมเดือนหกเพน ในตัดสรุปบรรลุธรรมก่อนที่จะได้บรรลุธรรมพระพุทธองค์ก็เสาะแสวงหาครูบาอาจารย์อยู่สองท่านเหมือนกันนะาดารารับทอุตกระดาบหลือสีตั้งสองท่านเข้าไปศึกษากับลือสีแตม่มาวิเคราะห์ดูแล้วยังไม่ใช่ยังไม่ไม่ถึงขั้นที่ต้องการแต่ก็เป็นแนวทางที่ท่านจะยึด แนวทางของท่านมาเป็นพื้นฐานเบื้องต้นจากนั้นพระโตองค์ก็มาบาเพ็ญด้วยพระองค์เองจนได้ตัดสู้ธรรมอาสาวคขยยยานยานอย่างรู้ว่าพพระโองค์ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วไม่มาเกิดอีกแล้วสิ่งที่ให้มาเกิดนั้นเหอแท่งหายจากใจของพระองค์ไปแล้วเชื้อที่จะให้เกิดนั้นพระองค์กาจัดออกไปแล้ว เนี่ยวันเดือนหกเพนเป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ธรรมตอนหัวค่ในายโสธิยะได้นำนำยาคามาถวายพระพุทธองค์ก็เกลี่ยลงที่โคนต้นโพหันหน้าไปทางทิศตะวันออกกรรมฐานของพระพุทธเจ้าและกรรมฐานของศิทธะท่านกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนะ อันนี้คือหลักมาในพุทธประวัติทำไมพระพุทธองค์จึงได้ออกกำหนดลมหายใจเข้าออกพระพุทธองค์สมัยเป็นเด็กสิทธัตถะไปแลกนาขวัญกับพระบิดาไปนั่งอยู่ที่ต้มร่มต้นว่านางแม่นมทั้งหลายไปชมการแลกนาขวัญของพระเจ้าแผ่นดินปล่อยให้สิทธัตถะ กุ ม, มารอยู่องค์เดียวอยู่ท่านองค์เดียวอยู่ในต้นร่มต้นว่าพระพุทธองค์เห็นความว่างความเงียบไม่มีใครผุกผ่านเพราะมีอุปนิสัยเก่าแก่ดั้งเดิมของพระองค์มีอยู่แล้วพระองค์ลูกมานั่งขัดสมาธิขัดสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเพราะจิตพองพระองค์เข้าสู่ความสงบนานเท่าไหร่ไม่รู้แต่กว่าจะเสร็จพิธี กรรมทางท้องนาเขาระลึกถึงศีรษะได้กลับมาดูต้นว่ายัางตรงคล้ายๆกับเป็นอภินิหารเป็นยาณทัศนะของพระองค์อันหนึ่งที่คุ้มครองมาให้แดดส่องเข้ามาถึงพระองค์ได้อันนี้ก็คืออภินิหารในพุทธประวัติกล่าวไว้อย่างนั้นแต่นีนเมื่อพทธองค์นั่งสมาธิแล้วพทธองค์ก็รำลึกถึงว่าสมัยเมื่อเป็นศีรษะ องค์ภาวนาอะไรในจุกนั้นในช่วงนั้นพุทธองค์เราเลือกได้ว่ากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแต่ครั้งนี้พุทธองค์ก็กําหนดลมในวันเดือนหกเพนกําหนดลมหายใจเข้าพุทธไม่ใช่พุทธนะหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกหายใจเข้ารู้หายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจออกหายสั้นยาว มีสติในลมหายใจตอนหัวค่าจนจิตโป่งเข้าสู่ความสงบเกิดญาณทัศนะขึ้นมาสมาธิกับฌานฌานกับสมาธิฌานเป็นผลพลอยได้จากสมาธิถ้าจิตไม่สงบฌานจะไม่เกิดเมื่อจิตสงบฌานเกิดเพราะนั้นจิตโปองค์เข้าสู่ความสงบเกิดญาณทัศนะ และลึกชาติหนนหลังได้เยี่ห้อปุเพนิวาสานุสติยานและลึกชาติหนนหลังได้ชาติที่แล้วเป็นมาอย่างไงเป็นไปอย่างไงเหมือนกับพวกเรามาจากกรุงเทพมาจากที่ไหนๆเรื่องวันนี้เราทําอะไรบ้างตั้งแต่เช้ามาถึงวันนี้เราก็ไล่ถอยหลังไปอันนี้คือปุเพนิวาดปุเพนิวาสานุสติยานและลึกชาติหนนหลังได้เรียงลําดับแต่ความรู้ของพระองค์ในจุดนี้ เป็นความรู้ของพุท ธ, ธะเป็นความรู้ที่เฉียบพลันเร็วไวกว้างไกลพร้อมหมดทุกอย่างจากนั้นพอถึงเที่ยงคืนพระพุทธองค์กำหนดเข้าสู่ความให้ละเอียดเข้าไปอีกรู้ได้จุดตูปะปาตยานตักจะรุ การจุติของสัตว์การเกิดการตายของสัตว์การไปการมาของวิญญาณต่างๆพพุทธองค์ก็รู้อ่อได้ตรัสรู้ตรงนั้นพอจนสว่างพระพุทธองค์พิจารณาปฏิจจสมุปบาทอวิชชาปัจจยาสรางขาราสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดออกมาจากความโง่เขลาความหลง จนถึงโศกะปริเทวตุขโทมณ ส, สุมั ส, สะมณ ส, สุปายาตการเจ้าโศกร้องให้พี่ไรรำพันทั้งหลายและออกมาจากตัวไม่รู้ตัวหลงตัวนั้นเป็นตัวอันตรายแล้วว่าเป็นพื้นฐานของกิเลสทั้งหลายทั้งปวกคือความหลงแต่พระองค์ พิจารณาตัวนั้นพิจารณาปิติจัสมุมบาทนั้นพระธองค์ได้ตัดสรู้ว่าอาสาวะขย่ายานญาณอย่างรู้ว่าพระพุทธองค์หลุดพ้นจากกิเลสไม่มีราคะโทสะโมหะแล้วหมดจดจากกิเลสแล้วชำระใจของพระองค์ให้ผ่องใสแล้วใจของพระองค์เหมือนกับมีเชื้ออยู่คือกิเลสราคะโทสะโมหะ เหมือนจะเป็นมเมล็ดข้าวแล้วมเมล็ดขนุนแล้วมเมล็ดอะไรก็ตามเผือกมันอะไรก็ตามมันมีเชื้ออยู่ในนั้นแต่พระพุทธองค์ได้ใช้ตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมาหนึ่งมาเผามากําจัดสิ่งที่เป็นเชื้ออยู่ในนั้นออกหมดพอมันเผาออกแล้วด้วยตปธรรมหนึ่ง เ, เผาไฟ จนมันสุกหมดเชื้อทําให้เชื้อมันไม่เกิดอย่างเม็ดข้าวเนี่ยเอาไปนึ่งซะเอาออกมาแล้วใครจะไปหวานลงท้องนาที่ไหนหนาดิบนาดีขนาดไหนมันก็ปลูกไม่เกิดเพราะเหตุไรเพราะมันไม่มีเชื้อเชื้อถึ่ทำให้เกิดมันหมดแล้วอันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธองค์ท่าน กำจัดเชื้อคือกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากใจของพระองค์จนพระองค์หมดเชื้อที่จะนำใจของพระองค์ไปเกิดแล้วอันนี้คือความบริสุทธิ์เยวันนิพพานัานางประมังศูนยอย่างนิพพานศูนย์ศูนย์เชื้อเชื้อจะทาให้เกิดมันศูนย์ นิพพานังปรามังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะมันหมดเชื้อแล้วมันมีแต่ความบริสุทธิก็มีแต่ความสุขไม่มีอย่างอื่นที่ว่านิพพานเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมดจนนอกเหนือจากสมมติทั้งหลายทั้งปวงอันนี้คือพุทธประวัติที่พระพุทธองค์ที่พระพุทธเจ้าของเราด้ บำเพ็ญเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่บอกกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่สิทธัตถะนั่งอยู่โคลนต้นโพที่ท่านได้ตัดสรู้รมท่านกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแต่หายใจเข้ารู้หายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจออ ก, ออกแต่พวกเรากําหนดหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะเพื่อให้มันมียาวไปอีกหน่อยหนึ่งเพื่อจับให้จับสติให้อยู่กับตัว แต่พุทธามจริงกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าวางไว้เนี่ยสีบอย่างนะพุทธานุสติธรรมานุสติสังกานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอานาปานุสติมรณะนุสติอุปสมานุสติหลายหลอย่างอนุสติ10จากนั้นก็เกษินสิบอีกที่พระพุทธองค์วางเอาไว้ จะยึดกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งใน40อย่างนั้นก็ได้ไม่มีไม่มีไม่ขัดข้องแต่ครูบาอาจารย์สายจะพ่ออย่างยิ่งหลวงปู่มั่นของเราอบรมสั่งสอนแนะนำลูกศิษย์ลูกหาเป็นสืบทอดกันมาท่านให้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติในลมหายใจเข้าหายใจออกเพราะนั้นพวกเราลูกหลานที่มาบวช เป็นลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานขององค์หลวงปู่หลวงตาทั้งหลายเราควรจะกําหนดลมหายใจเข้าออกซะก่อนไม่ต้องคิดปรุงฟุ้งไปทางอื่นให้ดูให้กําหนดดูกําหนดลมหายใจเข้าออกถ้าว่าเรากําหนดลมหายใจเข้าออกเป็นหลักเป็นพื้นฐานได้แล้วเราจะพิจารณาทางด้านปัญญาอย่างที่หลวงตาพูดเมื่อคืนเนี่ยก็ได้ ปัญญาก็คือความรอบรู้ในกองสังขารให้พิรณาดูกายพิรนาดูใจใจของเราเนี่ยคือนามธรรมเยมาเกิดมาปฏิสนที่มายึดร่างกายแต่อยู่ในท้องแม่ต่อมาต่อมาแล้วก็พอยึดขึ้นมาจนลืมตัวว่าร่างกายนียเป็นของตัวเองเพราะมันเคยชินมันใช้ง่ายเหลือเกิน บอกให้จับนูน่นจับนี้หยิบนั่นหยิบนี่ลืมหูลืมตามฟังเสียงจนใจนี่ลืมว่าร่างกายนี่เป็นของตัวเองแต่อีกสักวันหนึ่งร่างกายมันก็ต้องไปสู่สภาพของมันคือแก่เจ็บตายอย่างที่หลวงพ่อไปเห็นอย่างที่ว่านะี่นะใจมันก็หมดห่าเหมือนกันนะเหมือนกับรถตายเลยขยับตัวไหนก็หมดไม่ออกขยับตัวไหนมันก็ไม่ขยับเพราะมันตายเพราะมันร่างกายมันหมดสภาพแล้ว ในสุดใจก็ออกไปออกจากร่างนี้ไปปฏิสนธิใหม่อีกไปก่อไปพบชาติอีไปก็หลงอีกไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนั้นเพรา ะ, ะนั้นพระพุทธองค์ท่านมองเห็นแล้วว่าจิตวิญญาณเรือวัตใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่เป็นนักท่องเที่ยวในวัตถุบนทั้งหลายเกิดแก่เจ็บตายวกวนเวียนอยู่อย่างนี้นไม่มีที่สิ้นสุดเพรา ะ, ะนั้นพระพุทธองค์จึงเกิดความเบื่อหน่าย ที่จะอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้อีกพุทธองค์จึงบำเพ็ญทางด้านจิตใจชําละเชื้อที่จะมาวกบนเวียนเชื้อที่จะให้เกิดในโลกวัฏฏะสงสารต่อไปเป็นอนันตการกำจัดให้หมดเชื้อคือกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจของพระองค์จึงมีแต่ความบริสุทธิ์จากนั้นก็ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีก ชาตินี้เป็นชาติวิบากกรรมได้รับมาจากในอดีตชาติพอออกจากชาตินี้ไปว่าจบแล้วไม่มาเกิดอีกแล้วถ้าเป็นพระหันนะถ้าว่าต่ำกว่านั้นกัเป็นพระนาคามีก็ไปอยู่ชั้นพรมสุทธวะห้ชั้นอวิหาตปาทุสสาทุสเสียกนิฐาถ้าเป็นพระสกทาคาเมียก็ลงมาเกิดอีกครั้งแต่พระโสดาบันพระโสดาบันสามประเภท เอกพิชีเกิดชาติเดียวกุรังกุระเกิดสามชาติสามชาติสตุขัตตะประมะเกิดเจดชาติไม่เกินกว่านั้นอันนี้ว่าอริยะพระโสดาบันก็จัดเป็นอริยะบุคคลขั้นชั้นต้นแต่นอกจากนั้นไม่รับรองถ้าไม่ได้เป็นพระโสดาบันไปว่ายั ง, ย, งยังไม่ถึงขั้นอย่างเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จะไปพบภูมิไหน บนั้นพวกเราที่จะเดินตามพระพุทธองค์ก็ให้คิดพิจารณาตามที่พวกเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาและก็ประพฤติปฏิบัติพยายามทําจิตให้สงบเนี่ยแหะเป็นพื้นฐานเบื้องตน้นแต่เมื่อเราทําจิตให้สงบเป็นพื้นฐานได้แล้ ว, วนี่เราจะรู้เห็นผลงานขึ้นมาระดับหนึ่งเหมือนกับเราไปเรียนหนังสือเรียนกอไก่จบ จากนั้นก็พยายามบวกพมบอกแล้วก็พยายามอ่านอ่านพอเราจะรู้อะไรเออเมื่อเราเรียนหนังสือหน่ยเรามีความรู้อย่างนี้เรามีความหมายอย่างนี้เรารู้เรื่องนีเออ่เขาเขียนว่ายังไงเราก็อ่านไปได้แต่ก่อนเราปิดหูปิ ด, ปดตาไปหมดเห็นเขียนตัวหนังสือก็อ่านไม่ออกอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเราทําจิตให้สงบเป็นพื้นฐานเบื้องต้นได้แล้วต่อไปเราก็พิจารณา ทางด้านปัญญาเมื่อเห็นเมื่อพิจารณาทางด้านปัญญาก็เห็นผลของงานออกมาละบ้างนี่ยจิตใจเออจิตใจมันมีความพร่มเย็นผ้าสุขอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่จากนั้นก็ความหมั่นความขยนันความอดทนเกิดขึ้นมาตามลํำดับลําดับเลยทีนี้เพราะนั้นต้องเบื้องต้นก็ต้อง ฝืนซะก่อนนะต้องสู้ซะก่อนนะต้องบังคับซะก่อนถ้าไม่บังคับไม่ได้ต้องบังคับซะก่อ น, ออนเหมือนกับเด็กไปเรียนหนังสืออย่างนั้นนะมันยังไม่เห็นคนุณหรือยังไม่เห็นประโยชน์ในการเรียนของเด็กพ่อแม่ก็ต้องบังคับให้ไปเรียนถึงจะร้องห่มร้องไห้ขนาดไหนถึงจะรักขนาดไหนก็พยายามให้ไปเรียนจนกว่าเด็ก เมื่อไปเรียนได้แล้วทีนี้ติดตรงเรียนแล้วเห็นคนในการเรียนแล้วทีนี้นั่นแหละมันติดเองพอใหญ่ขึ้นมาอยากจะให้หยุดไม่หยุดทีนี้อยากจะเรียนอีกเพราะว่าการเรียนได้ความเข้าใจได้ความรู้ความฉลาดในการศึกษานั้นๆก้าวหน้าไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้ก็เหมือนกั น, นการประพฤติปฏิบัติภาวนาจิตภาวนา ก็ลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นอ่ะอันดับแรกเนี่ยมันก็ต้องได้สู้ได้ฝืนได้พยายามาได้คิดสิ่งไหนที่มันเป็นปฏิปักษ์เรือกว่าความขี้เกลียดขี้ข้านอ่อนแอมักง่ายห่วงเงาหา้าวนอนสิ่งมวลนั้นมันล้วนแล้วแต่เป็นกิเลสดึงไปทางต่ำอยู่ตลอดเวลาเราต้องฝืนต้องสู้นะต้องอดทน อีกสักวันหนึ่งเมื่อจิตของเราตั้งหลักได้แล้วทีนี้ความหมั่นขยันมันมาเองไม่ได้ทำเหมือนกับขาดอันหนึ่งอยู่กันะเอ๊ะวันนี้ไม่ได้ไว่ายพระเอ๊ะวันนี้ไม่ได้นั่งภาวนาะมันขาดอันหนึ่งอยู่ถ้าได้ทำแล้วก็เออสบายใจจิตใจก็สบายเพราะดันพวกเราได้มาบวชในครั้งนี้ก็พยายามนะพยายามนั่งสมาธิให้มากพยายามเดิยังกลมให้มาก ดูให้อยู่พยายามอยู่ตามลําพังนึกพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ตลอดนั่นแหะแล้วมันจะเสียหายเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงนะมีแต่ความร่มเย็นพราสุขจะเกิดขึ้นมาทางด้านจิตใจเรานเนี่ะนั้นให้มีโอกาสในครั้งนี้หาได้าไดยากเมื่อพ้นโอกาสนี้แล้วที่จะกลับมาอย่างนี้อีกมันโดยมากมันยาก ว่าหน้าที่การงานของเราของเรารัดตัวไปเรื่อยๆแต่ในช่วงนีช้ช่วงที่เข้ามาศึกษาก็อยู่วัดป่าอีกต่างหากไม่อยู่วัดป่านี่เราจะไปปล่อยส่งจิตส่งใจไปกลัวนะั้นกลัวนี่พระในวัดของเรามาอยู่ทั้งยี่สิบกว่าปีแล้วไม่เห็นใครเป็นอะไรทำไมผีเสือผีสางนางไม้มงูงเงียเ้ยวเขี้ยว สัตว์ทั้งหลายจะมากัดมากินแต่เราคนเดียวแสดงว่าเราเนี่ยแย่มากคิดออกนอกลู่นอกทางจะแล้วกลัวไม่ใช่เรื่องใช่แถวหรอแสดงว่าเราเนี่ใช่ไม่ได้การคิดอย่างนั้นการคิดกลัวอย่างนั้นเพราะนั้นไม่ต้องคิดกลัวถ้ามันตายถ้ามันมีเรื่องอะไรมันต้องมีก่อนเราแล้วเพราะผ้ามาอยู่ที่นี่ทั้งหลายปีหลายยุคเอเรามาอยู่ทําไมเราจรึงจะ เป็นบุคคลที่ขี้ขยาดทังขนาดนะั้นได้ยินเสียงเสียหมูร้องก็กลัวเสียงลิงท้องก็กลัวเสียงจริงจกตุกแก่ร้องก็กลัวครูบาอาจารย์ต้นตระกูลของเราท่านเห็นช้างร้องเสือร้องอที่จะมาใกล้ใต้ถุนของท่านอ่ะท่านจึงกลัวมันอันนี้เขาเราไปเห็นจริงจกตุ๊กแก่เราก็กลัวแสดงว่ากรรมาฐาน สุดท้ายปลายหลังเนี่ยถั่วกลัวก็ต้งจิ้งจกตุกแก่คางคบกว่างั้นเหแย่ yeah, ใช่ไม่ได้นะเพราะนั้นพง์ต้องใช้ความคิดเตือนเรานะสอนเราอย่าให้มีความกลัวนะให้มีความกล้าหาญให้มีความมุ่งมั่นให้มีการฝึกตัวเองไว้อยู่เสมอให้คล่องแคล่วฟ่องไว้ให้เป็นผู้องอาจกล้าหาญในจิตในใจ กําหนดพุดโทโธพุทโธพุทโธนี่แหละถ้าเราทํำได้อย่างนี้ไม่เสียไม่เสียเรามาบวชไม่เสียเวลาเวลาในการบวชถ้าเรามาอยู่อย่างนี้เราก็ไปคิดทางโลกเราอยู่ทางโลกเราก็มาคิดอยากจะบวชมันใช่ไม่ได้อย่างนั้นเมื่อเราบวชมาเราก็พยายามทําหน้าที่การบวชให้เต็มที่ ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนยังไงเทปอ่านยังไงหนังสืออ่านว่ายังไงเราได้ศึกษามาก่อนว่าอย่างไรโดยเฉพาะยังยิ่งอย่างหลวงพ่อสอนเนยขัดสมาด์นั่งสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าให้เจ้าเอาทดลองหน่สิไม่ส่งจิตไปข้างนอกไปยังไงเราส่งมาจนพอแรงแล้วมันเกิดผลประโยชน์อะไรคราวนี้เรามาบวชถึงสามอาทิตย์เราจะไม่ส่งออกเลยเนี่ยได้ไหมให้อยู่ทั้งวันเนี่ยอยู่นานที่สุดบังคับให้อยู่นานที่สุด ไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกจะเป็นอย่างไรทนะดลองเสิจะเป็นยังไงเมื่อทำได้อย่างนั้นมีแต่ความาลมเย็ยนผ้าสุกใครเข้าว่าจิตของเราได้รับการฝึกหัดที่ดีการฝึกหัด เ, เหมือนกับสัตว์ที่ได้เราฝึกหัดไว้ดีแล้วหรือว่าการเรียนการศึกษาของเราที่ได้พยายามบังคับการเรียนาการเรียนการศึกษาจนเข้าอกเข้าใจมีแต่ความรู้ความฉลาดาจะมาแทนแทนเรา ถ้าเราปล่อยปละละเลยเราไม่สนใจในการเรียนหรือว่าการเรียนก็เท่านั้นแหละคิดไปเออละเฮยไปเรื่อยผลใที่สุดในความรู้ความฉลาดของเรามันก็สู้เขาไม่ได้ตกตับอันนี้ก็เหมือนกันการภาวนาเนี่ยพยายามบังคับให้ไปตามแต่ตามแนวแถวที่หลวงปู่หลวงตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนมีแต่ความร่มเย็ดผ้าสุขนั่นแหละนะ วันนี้เขาขอพูดเพียงตรงนี้ก่อนต่อไปเดี๋ยวฟังเทพหลวงตาสักม้วนแล้วก็ค่อยเลิกกัน